50 languages. Seventy-nine. e i g h t n t ดิฉันสวมชุดสีแดงนานุวุนดูเข็มปูอั i กียันโนุธาริสิทเดเนีดิฉันสวมชุดสีเขียวนานวุนดูซิรอังียนโนุริสดเดเนดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำนานวุนกระเชลาว น, นุคุลุตน ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลนานวุ่นดูคันดูชีลวั น, นุโคลลุตเตเนดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวนานวุ่นดูบิลิชีลวันนโคลลุตเตเนดิฉันต้องการรถคันใหม่นานาเกววุ่นดูฮุสะดีเบคู ดิฉันต้องการรถความเร็วสูงนันกนกีวุน ด, ดูเว a าว d ดาการีเบกุดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายนัน a กีวุนดูฮิตาคาราวาดาีกาดบกุผู้หญิงชาราอยู่ชั้นบนอลลีเมเลอบบะไวสซาดามาฮิเลวาสสุตตะเล ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนอัลลีเมเลอุบบะดับปะมหิเลวาสิสุตาเลผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชันน้นล่างอัลลีเคระเกอุบบะคุดตูฮาลาลดะมหิเลวาสิสุตเเลแขกของเราเป็นกันเองน้ำมะอติติกรดูวุ่นเลียจนะ แขกของเราเป็นคนสุภาพน้ำมะอติติกลุวินีจจนาแขกของเราเป็นคนน่าสนใจน้ำมะอติติกลุสวารสยาคราจนาดิฉันมีลูกที่น่ารักนันเกมุดดุมักกะลิ ด, ดาร้แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน อาดเรเนเรมันยวรามักกลูตุ้มบาตุนตรรูลูกลูกของคุณเป็นเด็กดีไหมคะนิมมมักกลูโวลเลยวเร